อาการสงสัยของคนเราจะเหมือนเหมือนกันคือเมื่อพุ่งความคิดพยายามแทงสิ่งใดให้ขาดแล้วไม่ขาดยังคงปิดบังให้รู้สึกค้างคาขัดข้องเคลือบแคลงหรือแนวรั้งจิตใจไว้ให้รู้สึกเหมือนเคลื่อนไปข้างเหมือนเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้นี่แต่คอยผลักให้ถอยหลังหรืออย่างดีที่สุด ก็ย่ำอยู่กับที่โดยความแล้วคนเรามีความสงสัยสองชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาได้แก่หนึ่งความสงสัยในพรละลัตไตรัยคนเรากราบพระผู้มีพระภาคเจ้าผ่านพระพุทธรูปแล้วก็ให้ความคเคารพเลื่อนใส่กันในสองแบบแบบแรกก็คือคนบอกให้กราบพระ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบสองคือการศึกษาอย่างท่องแท้ว่าพระพุทธองค์มีพระคุณกับเราอย่างไ ร, รเคารพเลื่อมใสในแบบคนอื่นหบอกนั้นวันหนึ่งอาจถูกเป่าหูหรืออาจเปลี่ยนใจด้วยตนเองเลิกเลื่อมใสกันได้แต่สําหรับกา ร, รเคารพเลื่อมใสในแบบที่สองแล้วใครมาถึงตรงนี้ก็คือความมั่นคงไม่คลอนแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากปฏิบัติธรรมถึงขั้นเห็นกายใจเป็นไตรลักษณ์ทราบชัดว่าจิตปล่อยวางคลายความยึดมั่นถือมั่นลงด้วยแนวปฏิบัติเช่นสติปัฏฐานสี่เห็นทุกค่อยๆเจิตจางลงทุกทีแทรกแทนด้วยความเบากายสบายใจปลอดป่มเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นกับทั้งมีความสามารถรู้เห็น ทางจิตที่กำลังจัดข้อขัดข้องประการต่างๆตามวิสัยโลกเช่นทราบชัดด้วยจิตอันได้มาตรฐานว่าภพภูมิมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการไปเกิดตามแรงกรรมเป็นความจริงไม่มีผู้สร้างพบมีแต่ความไม่รู้และความหลงยึดที่ปลูกสัตว์ไว้กับภพบจริงๆ การไปเกิดตามแรงกรรมเป็นความจริงไม่มีผู้สร้างภพมีแต่ความไม่รู้และความหลงยึดที่ผูกสัตว์ไว้กับภพบจริงๆกระทั่งตระหนักว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเห็นทางออกจากภพออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้อิโนโอิเน่เสียได้นั่นเองคือเกิดความเคารพเลื่อมใสสูงสุด ด้วยเสียละเกล้าอันบรรจุแล้วด้วยพุทธิปัญญาไม่มีทางคลอนแคลนได้อีกเลยแต่เมื่ อ, อยังอยู่ในขั้นต้นยังเพิ่งแย่แย่ยังยังขาคลึงคลึ ง, ลงกลางกลางระหว่างเข้ากับไม่เข้ามาในขอบเขตของการปฏิบัติแค่รู้แจ้งเห็นจริงก็จาเป็นจะต้อง อาศัยปัญญาแบบคิดๆไปก่อนอย่ามองพระพุทธเจ้าด้วยความอยากหรู้ว่าพระองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์วิเศษกว่ามนุษย์เดินดินจริงไหมอย่ามองว่าพระองค์รู้ทุกอย่างจริงไหมอย่ามองว่าภพชาตินรกสวรรค์ที่พระองค์ปรัสถึงบ่อยๆนั้น มีจริงไหมเพราะถาาตั้งมุมมองไว้ให้ยากแก่การพิสูจน์แล้วความสงสยัยจะตกค้างติดหัวอยู่ร่างไปไม่ว่าจะฟังคำยืนยันจากใครไม่ว่าจะถูกเขียงกันได้ข้อสรุปหรือไม่ได้ข้อสรุปกล ม, มเครือหรือชัดเจนปานใดถ้าเพียงเราจะยิงคำถามให้แม่น เอาให้ตรงเป้าเข้าให้ถึงแก่นมองหาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่คนธรรมดาสามารถพิสูจน์ได้เป็นเหตุเป็นผลให้เข้าใจตามด้วยสิ่งที่จับต้องได้ก็จะลดความยากลำบากในการยอมรับลงเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่า ทุกทางใจมีเพราะเหตุเมื่อดับเหตุนั้นก็ย่อมหมดทุกข์อย่างนี้ใครๆฟังก็เข้าใจได้ยอมรับได้เมื่อสงสัยว่าเหตุแห่งทุกทางใจเกิดขึ้นเพราะอะไรพอฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตนหรือเมื่อสิ่งเหล่านั้นผ่านเลยไปแตกพังไปหรือไม่เป็นดังใจปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้ก็ย่อมถึงความคล่งครวนาลอยพระยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจึงเป็นทุกข์หมดความยึดมั่นถือมั่นจะได้ ก็เป็นอันพน้นทุกข์อย่างนี้ก็หายสงสัยไปอีกเปล่มาเมื่อมาถึงจุดนี้เมื่อนึกตามก็ยังรู้สึกว่าน่าเชื่อได้อยู่แต่ถึงด่านสําคัญคือทําอย่างไรจึงจะละความยึดมั่นถือมั่นเสียตรงนี้ก็จะมาถึงส่วนของธรรมะภ า, าคปฏิบัติพ้นจากความเชื่อหรือไม่เชื่อ เพราะต้องอาศัยการพิสูจน์ด้วยตนเองพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่าละความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ต้องอาศัยกายใจของมนุษย์นี่เองเป็นเครื่องมือคือทำกายใจให้เป็นฐานเป็นที่อาศัยระลึกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาด้วยแนวคิดเช่นนี้ ก็ยังคงอาจจะคลางแคลงได้อยู่ว่าเวลาดูกายจะดูตรงไหนก่อนแล้วก็ดูอย่างไรเพื่อให้เกิดอะไรประสบการณ์ภายในอย่างไรขึ้นมาจึงนับว่าถูกต้องอันนี้พระสูตรเช่นพระมหาสติปัฏฐานสูตรก็แจกแจงไว้ชัดเจนว่าดูกาย ต้องลมงหายใจออกและเข้าดูกายต้องดูโดยความเป็นเอิรลียบทใหญ่เล็กดูโดยความเป็นอสุภะดูโดยความเป็นธาตุดูโดยความเป็นศพ ด, ด, ดูแล้วก็อย่าปล่อยดูแล้วก็อย่าไปคิดว่าเป็นอะไรนอกจากสั ญ, ญลักษณ์แสดงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอีกอย่างคือ ไม่ใช่ดูเล่นๆประเดียวประดาวแต่ต้องมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเห็นผลเบื้องต้นชัดเจนคือกำจัดความอยากมีอยากดีอยากเด่นและความโทมนัส เ, เรื่องโลกโกเสียได้ดูอย่างนี้เท่านั้นจึงเรียกว่าอาศัยกายพาจิตเข้าถึงแก่นถึงแก่นสารของพระพุทธศาสนา พอดูกายแล้วยังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นให้ทําอย่างไรต่อพระพุทธองค์ก็แจกแจงว่าจงดูเวทนารู้ว่ากำลังสุขทุกข์หรือเฉยแล้วเปรียบเทียบด้วยว่าเวทนามีอมิตกับไม่มีอมิตแตกต่างกันอย่างไรเมื่อรู้เวทนาก็เคยยึบออกนิดเข้าไปหาสิ่งที่อยู่แนบปิดกันคือสภาวะจิต ดูว่าราคะโทสะโมหะเกิดแล้วหายไปต่างกันอย่างไรเป็นต้นเมื่อเวทนาและสภาวะจิตถูกรู้โดยความเป็นเครื่องอาศัยละลึกว่าไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกับกายก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในองค์ประกอบหลักที่ก่อตัวตนขึ้นมาได้หมดแม้หลงเหลืออุปทานบ้างเล็กน้อยแล้วปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทง ขาดง่ายเข้ามากแล้วหากการพิจารณาตามโดยประศจากอคติก็จะหายกังขาในพระพุทธองค์ทั้งในส่วนแนวคิดและความดำเนินเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของแนวคิดได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้จักมีปัญญาเลื่อมใสในพระพุทธและพระธรรมระดับหนึ่ง เมื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดับทุกได้จริงจากวิธีดูกายใจของพระองค์ก็ต้องเชื่อด้วยว่าถ้าใครปฏิบัติตามย่อมได้ผลเข็นจริงตามเช่นกันด้วยข้อนี้จริงนับว่ามีปัญญาเลื่อมใสในพระสมซึ่งหมายถึงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจริญรอยตามพระพุทธองค์กระทั่งถึงความสิ้นสุดทุกโศกแล้ว เช่นกันหากกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็คือมีความเชื่อว่าพระธรรมนั้นใครปฏิบัติตามจริงคนนั้นก็ได้ผลตามโดยไม่จำกัดการรวมทั้งตัวเองนี่จึงเรียกว่าเลื่อมใสพระสง์อย่างถูกตัวไม่ใช่ยึดเอาพระสงฆ์ที่ถูกสมมุติขึ้นด้วยพิธีบวชและเครื่องแต่งกายเป็นเกณฑ์เพราะถ้ายึดอย่างนั้นพอเห็นพระธรรมผิด เช่นข่าวเช้าเสียหายก็จะพลอยเสื่อมศรัทธาหมองหมองไปถึงตัวศาสนาโดยรวมด้วยพระรัตนตรัยอันหมายถึงแก้วสามประการที่มีค่าสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธรธรรมและประสงน์นั้นจะไม่ถูกสงสัยกลางแกลงเลยหากเราทำความเข้าใจโดยแยบคายในทิศทางของทุกข์และการดับทุก แต่ถ้าทําความเข้าใจกันเรื่องอื่นก็จะกลายเป็นความเห็นแตกแขนงไปกลายเป็นความลังเลสงสยัยไม่รู้จักจบสิ้นพูดง่ายๆว่าหากไม่สามารถยอมรับเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ทําการศึกษาเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ให้ลึกซึ้งก็อย่าเพิ่งกล่าวว่าพระพุทธศาสนาน่าสงสัยและพิสูจน์ ให้เห็นจริงตามไม่ได้สความสงสัยวิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติข้อนี้เกิดขึ้นได้เสมอแม้แต่ในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องการฝุดนั้นเป็นเรื่องของจิตจิตคนเรามีความลึกลับซับซ้อนเหมือนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อเกิดอะไรขึ้น ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมาก็จะชวนให้เกิดความคิดไปต่างๆแม้เทียบเคียงกับตำราเทียบเคียงกับแนวทางที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาก็อาจอยากจะเอาชนะความรู้สึกลังเลสงสัยได้เพราะฉะนั้นจึงสมควรกล่าวแยกเป็นข้อๆเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในการภาวนาดังนี้สงสัยว่าธรรมมาถูกทางหรือเปล่า นี่คือข้อกังขาที่นักปฏิบัติประสบกันมากที่สุดบางครั้งถ้าได้ครูบาอาจารย์ดีสามารถชี้เข้ามาถึงจิตถึงใจเราตรงๆว่าประทำจิตอย่างนี้ใช่วางจิตไว้อย่างนี้ไม่ถูกก็นับว่าเป็นวาสนาทว่าผู้ปฏิบัติมีจํานวนมากครูบาอาจารย์ผู้สามารถรู้ว่าระ จ, จิตมีจํานวนน้อยและที่จํานวนน้อยอยู่แล้วนั้น ก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะเปิดตัวในวงกว้างด้วยเกรงว่าชีวิตจะวุ่นวายเสียความเป็นส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะมีครูบาอาจารย์ประเภทชี้ถูกชี้ผิดได้ก็อันตรายอยู่บ้างเหมือนกันในกรณีที่ท่านรู้ว่าราจจิตของเราจริงเพราะว่าตัวท่านเองมีแนวทางที่ไม่เป็นไปในทางมรรคทางผล หากเราเชื่อท่านโดยที่ไม่ไตรตรองหรือเทียบเคียงกับตัวแทนพระพุทธเจ้าคือพระกัมพีก็อาจจะปลอยหลงทางตามกันไปจึงควรที่จะมีหลักการตรวจสอบตนเองโดยพระพุทธพจน์เป็นเกณฑ์เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากพอดังได้เคยแสดงไว้ตั้งแต่บทแรกสุดจากโมคลานสูตร พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบห้าที่พระโมคลาเคยทูลถามพระองค์ว่าหากกล่าวโดยย่อแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นปัญหาพระพุทธองค์ประทานคำตอบให้ไม่ถือมัน่นในธรรมทั้งปวงกำหนดไว้ในใจเช่นนี้แล้วจึงพิจารณากายเวทนาจิตธรรมที่เห็นเด่นเป็นปัจจุบันจน จ, นจิตคลาย จากความถือมั่นทั้งปวงพูดง่ายงและรูปรัดกดข้อแรกคือเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมอันไม่ควรยึดมั่นว่าเที่ยงไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวตนถ้ามีความเห็นเช่นนี้ขึ้นในใจไม่ย้อนคิดเป็นอื่นก็ถือว่าเป็นะบวนกรารปฏิบัติที่จะนาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือพิจารณาสภาวธรรมเป็นขณะขณะอาจตั้งคำถามตนเองคือขณะนี้เรารู้ลมหายใจว่าออกหรือเข้ายาวหรือสั้นรู้โดยสักแต่เป็นผู้ดูว่าลมหายใจไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาหรือไม่ความผิดพลาดที่มักทำให้เกิดความสงสัยคือ เพ่งยึดลมหายใจเอาทื่อๆอยากเห็นลมหายใจเป็นรูปร่างหรือเป็นสายยาวเดี๋ยวนั้นทางแก้ก็คือคิดว่าเราจะรู้แค่อาการว่ากําลังหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ว่ายาวหรือสั้นกระทั่งเกิดสติจิตทำตัวเป็นผู้สังเกตการเฉยๆถ้าไม่รู้ลมหายใจขณะนี้ เรากำลังรู้กายโดยความเป็นอิริยาบทหรือไม่รู้ว่าอิริยบทปัจจุบันไม่เที่ยนต้องเปลี่ยนเป็นอริยาบทอื่นหรือไม่ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเกิดความสงสัยคือกำหนดรู้กายทื่อๆนึกว่านี่เรารู้กายแล้วมีหัวมีคอมีตัวมีแขนมีขาแต่เห็นแบบนั้นจะทําให้เกิดความรู้จากอนิจจัง ทางแก้ก็คือคิดใหม่ว่าที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงอริยาบทเมื่อมองโดยเป็นความเมื่อมองโดยความเป็นอิริยบทย่อมเริ่มรู้ว่าจะเห็นกายโดยความไม่เที่ยงได้อย่างไรก็คือเม้ากายทั้งหมดโดยความเป็นอิริยาบทเมื่ออริยาบทเปลี่ยนก็ถือว่ากายไม่เที่ยงได้ถ้าไม่รู้อิริยาบทขณะนี้กําลังทํา กำลังรู้กายโดยความเป็นสิ่งเคลื่อนไหวหรือไม่รู้เข้าไปในความเคลื่อนไหวของอวัยวะหนึ่งหนึ่งโดยความไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนจากเคลื่อนเป็นหยุดต้องเปลี่ยนจากหยุดเป็นเคลื่อนหรือไม่ความผิดพลาดที่มักจะทำให้เกิดความสงสัยคือกำหนดจี้เข้าไปรู้ส่วนปลีกย่อยโดยเฉพาะเช่นเอื้อมมือหยิบของก็จะรู้แค่มือทางแก้คือคิดใหม่ว่าการเอื้อมนั้น ต้องไม่ลืมตัวด้วยตัวอยู่ในอิริยบทไหนก็รู้พร้อมอิริยบทนั้นนั่นเองถ้าไม่รู้ความเคลื่อนไหวขณะนี้เรากำลังรู้กายโดยความเป็นของโสโครคหรือไม่ความผิดพลาดที่มักจะทำให้เกิดความสงสัยคือการเข้าไปดูผมขนเล็บฟันหนังเฉยเฉยไม่ได้พิจารณาถึงสภาพสปกปรกตามจริงหรือเหมารวมแบบ คิดๆท่องอยู่ในใจเท่านั้นว่าร่างนี้สกปรกจิตไม่ได้จ่อกับความสกปรกในแต่ละย่อมพื้นที่ของกายเลยวิธีแก้ก็คือต้องนึกถึงพยานความสกปรกของอวัยวะแต่ละชิ้นกำกับเข้าไปด้วยแต่ไม่ใช่เค้นเหมือนหลอกตัวเองเพียงน้อมนึกนิดเดียวแบบจำได้ว่าสกปรกมาอย่างไร เช่นเวลาอาบน้ำต้องสัมผัสเนื้อตัวและผมเผ่าที่เหนียวเหนอนะหนักดังกับกาละแมต้องเห็นคราบใครดําปืน้นไหลปนกับน้ำทิ้งอยู่ทุกวันเป็นต้นถ้าไม่รู้กายโดยความเป็นของสกปรกโสโครกขณะนี้กำลังรู้กายโดยความเป็นธาตุหรือไม่เช่นอารมเข้าก็ต้องเปลี่ยนเป็น ถ่ายลมออกตัวร้อนขึ้นเดี๋ยวก็ต้องเย็นลงหรือไม่ความผิดพลาดที่มักจะทำให้เกิดความสงสยัยคือกำหนดเอาลักษณะของกายแบบเหมารวมคุมคลุมทีเดียวที่ว่าธาตุสี่แทนที่จะเริ่มหัดกำหนดไปทีละส่วนตามลำดับถ้าไม่รู้กายโดยความเป็นธาตุขณะนี้เรากำลังรู้กายโดยความเป็นศพ เห็นเป็นธรรมดาที่กายจะต้องเน่าเปื่อยผุพังเหมือนศพทั้งหลายหรือไม่ความผิดพลาดที่มักทำให้เกิดความสงสัยคือกำหนดจนรู้สึกเพียงด้วยระดับจิตขออภัยนะคะด้วยระดับคิ ด, ค, ดคิดนึกๆึรู้สึกกลัวแล้วก็แนบจิตไปกับความกลัวอย่างแรงไม่พิจารณาต่อให้จิตเกิดความเป็นกลางกระทั่งเน่าเปื่อย และปนไปถึงกระดูกถ้าไม่รู้อยู่ในขอบเขตของกายเลยขณะนี้เรากำลังรู้อาการเสวยเวทนาเป็นสุขทุกข์หรือเฉ ย, ยอย่างใดอย่างหนึง่งหรือไม่ความผิดพลาดที่มักทาให้เกิดความสงสัยคือแทนที่จะรู้ตามเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลับไปพยายามเพ่งให้เห็นว่ากำลังรู้สึกอย่างไร โดยเฉพาะในขณะที่กำลังเฉยหากเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวขณะกำลังสุขมากหรือทุกข์มากจะได้ตัวอย่างการรู้สุขทุกข์ขณะตั้งอยู่และจางหายไปง่ายขึ้นถ้าไม่รู้อยู่ในขอบเขตของกายหละเวทนาเลยขณะนี้เรากำลังรู้เท่าทันสภาพธรรมที่เกิดกับจิตเช่นราคะโทสะโมหะ เมื่อสภาวะนั้นหายไปจากจิตแล้วเห็นความแตกต่างหรือไม่ความผิดพลาดที่มักจะทำให้เกิดความสงสัยก็คือการพยายามค้นหาจิตพยายามดูว่าจิตกำลังมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแทนที่จะเริ่มดูผ่านสภาพทําหยับหยาบเสียก่อนดูให้ทันขณะสภาพนั้นตั้งอยู่และดูให้เห็นว่าสภาพนั้นหายไปแล้วเหลืออะไร ด้วยการถามตนเองถามตามจริงเป็นขณะขณะเช่นนี้แล้วเกิดสติรู้เข้ามาในขอบเขตของกายใจตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ก็พึงมั่นใจว่าเรามาถูกทางแน่แล้วและความต่อเนื่องจะเป็นความก้าวหน้าไปเองวัดกันด้วยสภาพรู้ที่พัฒนา จากการตั้งใจกำหนดสติแปลเป็นสติรู้ผุดขึ้นเองในขณะแห่งการกระทบที่เด่นกระทั่งปฏิรูปเป็นมหาสติอันมั่นคงต่อเนื่องในที่สุดขอเพียงมีปัจจัยอุดหนุนมากพอตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอธิชาและโทมนัส ในโลกจะได้เมื่อจิตรวงลงตั้งมั่นรู้เห็นกายใจเหมือนของเปล่าของลวงของที่สักแต่เอาไว้รู้และไม่มีเกลเลดเจืออยู่ในใจก็จะมั่นใจได้ด้วยขณะจิตอันทรงคุณภาพนั้นว่านี่ของจริงแน่นอนไม่ใช่แค่หายกังขาเรื่องทำถูกหรือยัง แต่ยังรวมไปถึงการหายกังขาด้วยว่าพระธรรมของพระพุทธองค์นั้นเป็นของจริงหรือของปลอมหากเริ่มขึ้นมาเราก็ไปคาดหวังว่าจะทำให้ได้สติสมปัญญาตามมาตรฐานตั้งแต่วันแรกๆ ก, ก็จะทำให้เกิดความท้อทำให้เกิดความสับสนลังเลว่ามาถูกทางหรือเปล่าเพราะไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียที ไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้สักอย่างก็จะให้ปล่อยวางได้อย่างไรในเมื่อมีความโลภชนิดใหม่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นขึ้นมาแทรกแซงสติรู้สียแล้วทางที่ถูกสำหรับการเริ่มต้นคือค่อยเป็นค่อยไปยอมรับตามจริงว่าถูกครอบงำอยู่ด้วยอะไรบ้างมีสภาพทำใดปรากฏให้รู้บ้าง รู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนานทีรู้ทีก็ยังดีกว่าไม่รู้เสเลยแล้วก็ค่อยๆรอดูการขยบพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆตามวันเวลาที่สังสมตามลำดับกระทั่งสามารถแก้ความสงสัยได้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อจิตถึงความดิ่งรู้แจ้งกันเหมือนหนึ่งเดียว ในสิ่งที่กำลังภาวนาไม่มีความคิดแทรกแซงเพราะว่าความลังเลสงสัยนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นนอกจากความคิดนึกนั่นเองเมื่อไม่มีคำถามที่จะไม่มีภาระต้องหาคำตอบเหลือแต่รู้ซสได้นั่นแหละจึงปลอดความสงสัยสนิท ให้แน่ใจว่ารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังเกิดขึ้นกำลังดับลงต่อหน้าจิตผู้รู้ก็พอสงสัยว่าเห็นไตรลักษณ์จริงหรือไม่เมื่อสังเกตกายใจตามแนวทางของสติปัฏฐานสี่ต้องแน่ใจว่าเรากำลังตัดสินกันเป็นขณะขณะเอาแต่ปัจจุบันที่รู้ได้เห็นได้เท่านั้น อย่าเหมาภาพกว้างว่าเรากำลังใช้ชีวิตทั้งหมดด้วยอาการที่เห็นไตรลักษณ์ของกายใจหรือไม่การเห็นอนิจจงนั้นเริ่มต้นเป็นสติเป็นสภาวะต่างเช่นลมหายใจออกต่างจากลมหายใจเข้าอิริยาบทเดินต่างจากอิริยาบทนั่งสุขต่างจากทุกข จิตมีกิเลสต่างจากจิตปลอดจากกิเลสจากนั้นก็เมื่อจิตสงบแล้วก็เห็นชัดเจนต่อเนื่องมากเข้าอาการนิ่งรู้เงียบเชียบอย่างเป็นธรรมชาติจะเข้าไปเห็นกายใจแต่ละขณะโดยความเป็นอะไรที่เกิดขึ้นลำดับไปเหมือนของที่ขาดจัด ก, กันเป็นท่อนๆเป็นคนละชุดกันชัดเจน การเห็นทุกขังนั้นเริ่มต้นก็จะเป็นสติเห็นสภาวะที่ขาดจากกันเป็นคนละตัวกันต่อมาเมื่อจิตมีความอย่างรู้แหลมคมยิ่งขึ้นก็จะทราบลงไปในขณะของการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่งนั้นนั้นเหมือนกับาธาตุธรรมอื่นทั่วไปหมดก็คือตั้งอยู่ในสภาพอันเป็นปัจจุบันได้ชั่วคราวและก็ต้องแปรไปเป็นธรรมดา การเห็นอนตัตตานั้นอาจจะเป็นผลตามมาจากการรู้ว่าสิ่งใดย่อมคงสภาพไม่ได้หรืออาจจะเป็นผลมาจากการพิจารณาตามจริงว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองลอยๆเช่นสุขเวทนาจะเกิดไม่ได้หากปราศจากผัสสะมาตวัดหนึ่งที่พอจะชี้ว่าจิตรู้เห็นไตรลักษ์จริง ก็คือการหยุดคิดเหลือแต่รู้เงียบเชียบมีสติบริสุทธิ์ผองใสเป็นอันเดียวกับความเบิกบานของธรรมชาติจิตอันเป็นอิสระหากเข้าใจว่าเห็นไตรลักษณ์แต่ยังรู้สึกหนักยังคิดวุ่นวายต่อเนื่องจากขณะของความเห็นนั้นๆก็ให้สันนิษฐานว่าอาจเป็นการคิดว่าเห็น มากกว่าการเอาจิตไปรู้ไตรลักษณ์อย่างแท้จริงสงสัยว่าทำไมจิตตกอยู่เรื่อยคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับความสงสัยข้อนี้ก็คือเพราะจิตเป็นอนัตตาหากเราควบคุมให้มันมีคุณภาพคงเส้นคงวาได้แปลว่ากฎธรรมชาติข้อนี้ผิดเพี้ยนไปแล้วต้องปรับมุมมองใหม่ให้ชนะความโลภ โดยรู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่อาจสั่งจิตว่าจงพัฒนาแบบก้าวกระโดดเถิดหรือเมื่อพัฒนาจนดีแล้วระดับหนึ่งก็ไม่อาจสั่งว่าจงคงสภาพอยู่เช่นนี้เถิดหน้าที่ของเราคือใส่เหตุปัจจัยเข้าไปขยันภาวนาเข้าไปตามหลักสติปัฏฐานสี่ก็พอจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิด ถ้าต้องคาถาสัทธิ์ของผู้ภาวนาคือนับหนึ่งใหม่บ่อยๆในช่วงจิตตกนานไปก็จะได้มาดวัดความก้าวหน้าเองเราคือช่วงต้นๆของการภาวนานั้นเริ่มนับหนึ่งททราไรกว่าจะถึงสิ์ได้ก็อึดอาดเช่น